ตอนนี้ล้วก็ฝึกน้อมใจหยุดนิ่งเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งใจคืนไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูเพราะไม่เกี่ยวกับลูกในตาเอนนิ่งเฉ ย, ยๆแล้วตั้งสบายเออนิ่งสบาย ไม่ตึงไม่เกลง็งไม่เคลียดไม่ฟุง้งอะไรพวกนั้นน่ะนิ่งๆเบาๆแล้วถ้าถูกส่วนตัวจะขายายแต่ยังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่มันทึบมั น, มนตือ้อๆมันยังไม่สบายแต่มันก็มีทุกข์ไม่กลุ่มอะไรโยคะ เ, เราจะไปดึงความกลุ่มเข้ามาเองว่า อนิ่งอย่างนี้ยังไม่ฟุ้มไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ขยายไม่มีแสงสว่างไม่เห็นภาพอะไรมาใหม่ๆ ใ, ให้เราดูเลยนั่นเราแสบไปหาทุกข์เหมือนแกว่งเท้าหาเส้นแกว่งใจหาทุกข์อากวามมิตกกังวลความกลุ้มกุมมา ถ้าเนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งน้มเบาค่อยๆค่อยๆสบายๆสบายในทีนี้มันยังไม่ถึงกับระดับที่เราเรียกว่าความสุขแต่ในระดับที่มันไม่ขับแคบไม่อึดอัดไม่ลำคาญอย่างนั้น นิ่งอย่างนั้นไปก่อนนิ่งพอเราทําบ่อยๆเขามันก็ละเอียดมันนิ่งหยาบระดับหยาบชั้นหนึ่งเรานิ่งแต่ไปก็จะเป็นนิ่งระดับละเอียดมันจะปรับของมันไปเองอย่าไปกังวลมันพอปรับแล้วมันจะนิ่งละเอียดนิ่งละเอียดมันจะมีประสบปกาภายในเกิดขึ้นตัวมันจะโล่งละไม่ทึบ มันจะปโปร่งมันจะเบาร่างกาขยายมันตัวพองๆนะขยายถ้านิ่งมากก็ขยายมากถ้าจะยิ่งนิ่งในนิ่งกัขยายจนตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดนิ่ง ซึ่งทาได้ทุกคนยกเป็นคนบ้าคนตายคนทีน่ไม่ได้ทำแห ล, ละเนี่ยเรานิงใช้ซึ่งต้องฝึกต้องสั่งสมทรมันทุกวันทาบ่อยๆพาวิตาพาหุลีกิตาบ่อยๆหนึ่งๆซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆหลับใจกันไป อริยบทนั่งนอนยืนเดินทุกสถานที่ทุกกิจกรรมฝึกไปอะไรจะมาสู้ความเพียรเราก็ตั้งเพียรตั้งพยายามตั้งข ย, ยันฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ทางค่อยๆจำนานขึ้นพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากอะไรนึกน้อมมันก็วุฒิเข้าไปเลย ไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนไม่ได้ทำาพราจใจมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้ดุลของใจไม่ตึงไม่หย่อนแล้วมันก็ขยายใสยสว่างความสุขก็พลังลูเลยทลักออกมาเงินไปสู่ระบบประสาทกลามเนื่องมันก็สบาย ต้องสุขสบายทุกขั้นตอนแล้วค่อยค่อยเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราก็ต้องใจเย็นใจตั้งยึกเย็นต้องยอมรับว่าเราเป็นคนธรรมดาเยเทวดามันก็ลมลุกคลางกันอย่างเนี้ยเมื่อเราฝึกกันใหม่ๆอย่างเนี้ย ก็ทำไปบ่อยมันก็จะํำนานก็จะสบายคล่องขึ้นการเข้าไปสู่แสงสว่างภายในมันก็ไม่ยากอยู่ในก ร, ร ม, มือหลับตาแล้วมันไม่มืดและนิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะหยุดอย่างสบายให้ใจใสๆ นิ่งเลยไปนะลูกนะนิ่งไปเรื่อยๆอย่าเอาลูกนิ้ตากดไปดูค่อยๆผ่อนคลายนะทำนิ่ ง, งๆเบาๆสบายๆมันไม่ยากเกินไปนะอย่ากดลูกนิ้ตานะจ๊ะ ให้ผ่อนคลายทำสบายบายนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆใจแตะไปเบาๆตรงกลางแต่ก็อย่าไปกังวล ว, ว่าตรงกลางเป๊ะไหมเ่าว่ากลางท้องแถวๆนั้นอย่างนั้นไปก่อน แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยใจมันถึงจะรวมได้เร็วถ้าหากมีอะไรผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันไม่ชัดก็อย่าไปพยายามเพ่งหรือเข้นภาพเพื่อให้มันชัดมีมาให้ดูสิบเอร์ซแล้วก็ดูสิอร์ซน มีมาดูยี่สบก็ดูย20สบ20ปเซดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเคร่งอย่างถูกวิธีที่จะให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไปเคลนภาพหรือเพ่งหรือไปจ้องเป็นรุ่นหนึ่งอย่างนั้นมันเร่งแบบผิดวิธีมันจะเหนื่อยตอึงเครียดไม่ไีผลก็จะเบื่อจะท้อ เรื่องอย่างทวิธีคือนิ่งมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนสบายตามใจสิ่งที่มีมาให้เราดูอย่างนั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆดูจะไปสบายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่เราโน้คิด มันขึ้นอยู่กับเข้าใจหรือเปล่าวิธีการทำเป็นไหม่จะเป็นมันก็ง่ายถ้าไปทำไม่เป็นมันก็ยากแต่ละคุ้นกับทางโลกเวลาจะประสบความสำเร็จชีวิตหรือทำงานการมันก็ต้องบีบต้องเค้นต้องกดดันรต่างๆต้องต่อสู้ วิธีอย่างนั้นเอามาใช้กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ได้นะมันก็เยอยยางกันเหมือนจะขับรถทางโลกจะไปให้เร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งแต่ในทางธรรมจะไปเร็วต้องหยุดต้องนิ่งเบาสบายเบิกบาน ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมก็ไปสู่ภายในเนี่ยมันต้องสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆึงจะถูกหลักจะยิ่งทำแล้วยิ่งตึงยิ่งเครียดที่ใก็จะไปฝืนนำต่อให้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งขยับเนื้อขยับตัวให้มันสบายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ อย่างง่ายๆนึกทบทวนสิ่งที่เราได้ยินในฟังมาต้องอย่างนี้นะลุงนะฝึกกันไปเถอะศึกษาฝึกฝนสั่งสมเดี๋ยวก็ได้เองแหละ